เรื่องพระโพธิละเทระพระสสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภพระเทระชื่อโพธิละดังได้สดับมาพระโพธิละเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์บอกธรรมะแก่ภิกษุห้าร้อยรูปพระสสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ ไม่มีแม้ความคิดว่าจะทําการสลัดทุกข์ออกจากตนเราจัดให้เธอสังเวทแต่นั้นมาพระองค์ย่อมตรัสเรียกพระเทระนั้นว่ามาเถิดคุณเบลานเปล่านั่งเถิดคุณเบลานเปล่าไปเถิดคุณเบลานเปล่าพระโอทิละคิดว่าเราย่อมทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัถกถา บอกธรรมะแก่ภิกษุห0 0รถึง18คณะเหตุไรหนอพระสัสดาจึงตรัสเรียกเราว่าคุณเบลานเปล่าคงเพราะเหตุที่เราไม่มีคุณวิเศษเช่นชาญเป็นต้นเป็นแน่แท้พระเทระจึงคิดว่าจะเข้าไปสู่ป่าแล้วทำสมณธรรมท่านจัดแจงบาทจีวอนออกไปแล้วในเวลาใกล้รุ่งไปสิ้นร้0ยยี่บโยชน เข้าไปหาภิกษุในอาวาสราวป่าแห่งหนึ่งไหว้พระเทระแล้วขอให้ท่านสอนทำสมณธรร ม, ม, รรมพระเทระและภิกษุในอาวาสไม่อาจสอนแล้วเพราะความที่ท่านเป็นธรรมกระถึกต่างปฏิเสธที่จะสอนก็พระเทระและภิกษุทั้งหลายท่านเป็นพระกีณาสกคือเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นลำดับนั้นได้ส่งพระโพธิละ ไปยังสำนักอนุเทระเพื่อให้คลายมานะคือการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแม้พระอนุเทระก็ปฏิเสธที่จะสอนจึงส่งไปสู่สำนักของสมณเณรอายุเจ็ดขวบด้วยอุบายจะให้คลายมานะได้ทำอุบายให้คลายมานะแล้วพระโพธิละคลายมานะแล้วยกมือไหว้สมเณรกล่าวว่าท่านสัตว์บุรุษ ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมสามเณรกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านเป็นคนแก่เป็นพหูสูตรผมเองก็เรียนมาจากสำนักของท่านเหตุอะไรอะไรผมก็รู้มาจากท่านพระโพธิละอ้อนวอนสามเณรสามเณรจึงกล่าวว่าหากท่านจะเป็นผู้อดทนผมก็จะเป็นที่พึ่งของท่าน พระโปธิละปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมณเณรสั่งให้ลุยน้ำในสระจนจีวรเปียกแล้วสมณเณรกล่าวว่าท่านผู้เจริญจอมปลวกมีช่องหกช่องในช่องเหล่านั้นมีตัวเฮียเข้าๆออกออกอยู่ในช่องเหล่านั้นถ้าจะจับเฮียตัวนั้นพึงอุดช่องทั้งห้าทำลายช่องที่หกเสียย่อมจับเฮียตัวนั้นได้ บรรดาทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจปิดทวารห้าที่เหลือพึงบริกรรมไว้ในมโนทวารด้วยในยะมีประมาณเท่านี้ความแจมแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรแล้วญาณหยั่งลงแล้วพระสัสดาประทับนั่งไกล120โยชน์ ทอดพระเนตรดูภิกษุนั้นแล้วทรงเปล่งพระรศมีประหนึ่งอยู่ต่อหน้าแล้วตรัสพระคาถาว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งคือความเจริญและความเสื่อมนั้นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะพึงเจริญขึ้นได้ ในการจบพระคาถาพระโพธิละบรลลุอารหัสแล้วดังนี้แหละ